ท่านฟังคะเรากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่เศรษธรรมะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพึ่งตนที่พระพุทธองค์ได้บัญญตัติบอกพวกเราทุกคนไว้ว่าที่พึ่งที่ดีที่สุดก็คือพึ่งตนแต่ลําพังตัวเองไม่ได้นะคะเราต้องพึ่งธรรมธรรมะนั้นคือธรรมที่พระศาสดาได้บัญญัติเอาไว้แล้วก็ได้กลัดบอกว่า แม้ตัวพระองค์ไม่อยู่วันนี้ตรัสรุปผ่านไป 2,600 ปีบริณิพานไปแล้วเนี่ยก็ยังมีธรรมะเหล่านี้ให้พวกเราพึ่งอยู่นั่นเองพึ่งตนพึ่งธรรมนะคะเราก็จะพาท่านมาพบกับอีกช่วงหนึ่งของรายการสรรสนีสนทนานี้กับพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศจกจังหวัดอุดรธา น, นีกราบน้อส ก, การกัท่านคะเนบอนค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวัน วันที่เท่าไหร่ของการหลีกเรนรอบที่2อวันที่สมวันที่3ของการหลีกเรนปฏิบัติพูดถึงมาถึงวันที่สมเนี่ยผลผลิตของผู้ที่มาหลีกเรนในครั้งแรกมาถึงวันที่สาม่ีควรจะพัฒนาไปได้แค่ไหนอย่างไรจะเป็นวันที่ถ้าอยู่ต่อก็อยู่ได้ถ้าจะกลับก็กลับเลยคือหมายความว่าจะเป็นวันที่ท้าทายผู้ปฏิบัติมากในเดือนปกวันที่สเพราะว่าจะเป็นวันที่ คือคือคนมาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะทําไม่ได้คุณยมติวทําไม่ได้นั่งไม่เป็นสมาธิไม่อดทนไม่ไหวละมันจะกลับก็จะกลับวันที่สามนี่แหล ะ, ะ, ะถ้าถ้าเขาอดทนไม่ไหวถ้าเขาผ่านตรงนี้ไปได้โอ้โ ห, โหม่นฉลุยไปเลยแต <c oughs> ่ฉัก็เข้าใจตัวเองมากอืเพราะว่าไปในวันที่สามพอไปปุ๊บไปในวันที่คนอยู่ก็อยู่ได้แล้วคนกลับก็กลับไปแล้วแต่ตัวของที่ฉันเพิ่งมา ทีนี้นว่าไอ้เรื่องการปฏิบัติเนี่ยจริงๆเราจะต้องมีคือหลายๆท่านถามนะคุณหยมติว่า <ซะ S 1> เราจะต้องเตรียมตัวยังไงก่อไม่เรื่องเข้าของนี่ก็ส่วนนึ่งละในเรื่องจิตใจล่ะฉันต้องนั่งสมาธิไปไหมต้องเตรียมตัวอะไรยังไงในเรื่องของจิตใจน ะ, ะก็จึงต้องบอกว่าจริงๆมาถึงปุ๊บเนี่ยในหลักสูตรเราเนี่ยในช่วงสองวันแรก3วันแรกอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นการเตรียมใจล่ะคือหมายความว่าเตรียมใจนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเอานิวรณ์ออกแต่คือมาถึงปุ๊บคุณจะทำจิตเป็นสมาธิเลยโอ้โหมัน ต้องมีประสบการณ์นะมีความสามารถสูงทีเดียวเพราะนั้นเราก็ต้องพยามที่เคลียร์เอานิวอนออกไปให้ได้กรนะบว น, นการต่างๆที่ผู้เจ้าให้ก็คืออา้ามาถึงเราสร้างเซนัสนะอันสงัดนะสิ่งวิรมที่เป็นการหลีกเร่นนะอาหารนะที่ว่ า, าให้รับประทานภา ป, ประมาณนะให้มีการฟังธรรมและจิตมันถูกอย่างนี้ถูกเขาเรียกว่าบุม บ, ม บ, มบมุด้วยสิ่งที่เป็นธรรมะหมดเลย ่เสร็จปุ๊บมันก็จะค่อยๆวางสิ่งต่างๆวางความที่อะมันก็จะค่อยๆเรียบขึ้นมาได้เงี้ยเพราะฉะนั้นในช่วงเจ็วันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ธรมาคิดว่าเหมาะสมมากทีเดียวคคือถ้าสองสมวันมันมันไม่ได้อะไรหรอกถ้าจะเป็นนานกว่านี้ไปก็มันจะมีปัญหาเรื่องคนที่จอจะต้องลาไม่ได้หรือไม่ได้เงี้ยนะค่ะถ้ายิ่งยาวมันก็ยิงดีแน่และแต่ยังน้อยคนจะต้องมีเจ็ดวันแต่ส่วนใหญ่ที่เขาทําทํากันก็มักจะสามวันหรือ บ, บางที ก็ก็เป็นตามสะดวกนะอันนั้นคือสามวันก็ดีอะ่ะก็ดีดีกว่าไม่มีเลยอย่างเงี้ย ค, คือที่ท่านพูด อ, อย่างนี้หมายถึงว่าในส่วนของการที่ให้โอกาสเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐนะคะ ม, ม, มาเข้าคอร์สหลีกเลนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเขาจะไปกันเขาก็มักจะนิยมไปเสาร์อาทิตย์นะคะก็ไม่กล้าทิ้งงานกันนานๆเข้าใจว่าอย่างนั้นะซึ่งถ้าเป็นไปได้ ผู้บริหารอาจจะลองทบทวนอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าไม่ต้องให้มาคราวเดียวกันพร้อมๆกันจนงานเสียหายก็ให้สลับมาสักคนสองคนที่ให้มีโอกาสเจ็ดวันนะคะแล้วไปดูซิผลผลิตของท่านเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างเพราะที่ฉันเห็นผู้บริหารระดับคุมใครการพลเรือนทั่วประเทศเลยเนี่ยนะคะท่านก็เคยพูดกับฉันว่าพูดยิ้มๆนะคะบอกว่าผมก็เห็นด้วยนะว่ามันดีนะ แต่ว่าส่วนใหญ่ไปแล้วกลับมาก็ไม่ค่อยเห็นผลว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเนื้อะคะอืมมันก็ต้องอยู่ที่ว่ า, าไปที่ไหนเขาจัดยังไงเขาทำยังไงด้วยนะใช่ค่ะคือดีฉันก็เลยจะคิดว่าเราก็ต้องมาพิจารณากันว่าไอาการที่จัดว่าให้ไปได้ตามระบบระเบียบแต่มันไม่มีรายละเอียดในการจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าที่เป็นปัญหาใช่นะคะก็เสียดายเสียดายเวลาเสียดาย ทรัพยากรอืถ้าหากว่าทําไปแล้วอมันไม่ได้เกิดประโยชน์แล้วในในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยคุณยมติว๋วค่ะคนที่ทําเนี่ยเขาก็ได้เองคือ ค, คือคืออย่างช่วงที่อย่างจะพูดถึงวันลาอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เราพูดถึงว่าไปนานๆเนี่ยเพราะในช่วงที่มีวันหยุดในระหว่างเนี่ยอยสมมุติว่าในสัปดาห์หนึ่งเรามีห้าวันเนี่ยถ้ามีวันหยุดเป็นฟันหล่ออย่างเงี้ยเขาจะลาให้มันได้ครบสัปดาห์เล ย, เลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงที่มีคนมามากช่วงนั้น สิ่งที่ทีฉันอยากถามอีกอย่างนึงนะคะก็คือเหมือนกับว่าบางทีบางคนเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าใจตัวเองแต่ว่าไปเพราะว่ากฎกติกาบังคับให้ไปมสมมตินะคะหรือว่าไปเพราะว่าเพื่อนรักมากเลยรำคานญ<อ><ป>ชวนจังเลยปรารถนาดีตัดความรําคาญคนผู้นี้ยควรไปไหมคะแล้วมีไหมคะที่ไปแล้วได้ผลมีมี ม, ม, ม, มีมีเจ้าที่พนักงานของช่อง11สททเขาก็ชวนเพื่อนเข้ามาจากสิงคโปร์ เพื่อนเขาเป็นคนไทยนี่แหละแต่ไปทํางานอยู่สิงคโปร์ตอนเพื่อนที่เขามาเนี่ยเขาห้าวันแรกเนี่ยเขาคิดว่าฉันออกไปเนี่ยฉันจะต้องไปด่ามันอย่างเละเทะเลยมันชวนฉันมาทําไมอยู่ที่นี่ลำบากเหลือเกินคิดอย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นแต่กินนี่ตอนสุดท้ายเขามาเล่าให้ฟังแล้วพอวันที่เจ็ดแล้วเนี่ยเขาบอกโอ้โหดีมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยที่ชวนมาก็คือไปพูดอย่างนั้นก็คือคือคือเพื่อนสนิทกันเนี่ยเขาชวนกันมารบเรากันขนาดที่ว่าเออบปไปแล้วกันไปไปให้มันสบายใจ นะไปถึงแล้วคิดว่าในช่วงระหว่างที่มีการเดเร้นอยู่เนี่ยเขาไม่พูดเนี่ยน ะ, ะก็คิดว่าฉันออกไปฉันจะต้องด่ามันให้แหลกเลยมันชวนฉันมามทำไมแต่พอสุดท้ายครบรอบเต็มที่ละปล่อยวางได้โอ้ดีมากๆเลยดีแล้วขอบคุณเพื่อนมากที่ชวดพามาอะไรอย่างนั้นก็มีนะก็เพราะฉะนั้นแปลว่าเอาเธอให้มาไม่ว่าจะอย่างไรถ้ามีโอกาส <c oughs> ใช่ไหมคะจะเป็นโอกาสที่มาด้วยใจตัวเองเต็มที่มาด้วยใจตัวเองสองเปอร์เซ็น ม, มาเถอค่ะคื อ, อน้อยตัวเองต้องได้อืค่ะนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ดิฉันอยากถามมาถึงคําถามของวันนี้คะ่ะก็ตอนนี้ดิฉันกำลังเหื่อกับการที่จะไปเปิดดูตามอินเทอร์เนต็ตว่าเขาทําสื่อสร้างสารรค์เพื่อให้คนที่อยู่บนโลกสมัยใหม่อมซึ่งเดี๋ยวนี้โลกมันบังคับให้อยู่ยนะคะไม่อยู่ก็ต้องพยายามเรียนรู้ไม่งั้นตกโลก่ะค ะ, ะเขาทํากันอยู่ อ, อย่างกับ อีกอันหนึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่นำเสนอพุทธวจนะภาษาไทยสั้นๆ น, นะคะชื่อ Buddha w เ r d s บทนี้คะ่ะท่านคะยิ่งจะกราบเรียนถามท่านเขาบอกว่ามารเนี่ยย่อมสามารถทำลายบุคคลผู้ตกเป็นทาสของความสวยงามไม่ควบคุมการแสดงออกไม่รู้จักประมาณในโภชนาหารเกียรคร้านและอ่อนแอเหมือนลมแรงพัดโค่นต้นไม้ที่ไม่แข็งแรง รบกวนท่านช่วยขยายความค่ะพุทธวจนะบทนี้ค่ะพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบว่าคนที่ไหลไปง่ายๆไปตามสิ่งผัสสะเนี่ยนะคือไหลไปตามมาร น, นะเคยเปรียบเทียบกับเต่านะเต่าตัวหนึ่งที่เขาไปหากินตามริรรมลำธาร น, นะปรากฏว่ามีสุนัขจิ้งจอกก็หากินอยู่ที่นั้นเหมือนกันแต่สุนัขจิ้งจอกก็เรีบวิ่งรีบเข้ามาเลยคุณโยมเต๋วเพื่อที่จะมาเอาเต่าตัวนี้กินให้ได้ เตาเหนสุนัขจิจอกมาแต่ไกลก็หดอวัยวะทั้งหมดเลยเข้าไปในกระดองนะสุนัขจิ้งจอกก็วนหาช่องอยู่อันไหนจะเข้าได้มันจะคิดว่าอันไหนโผล่ออกมาปุ๊บมัจะจิกเนื้อมันออกมากินน ะ, ะปรากว่าถ้าเตาเนี่ยไม่โผล่วอวัยวะออกมาสุนัขจิ้งจอกก็ต้องหลีกไปเองนิพพานชอเปรียบทเทียบว่ามารเนี่ยมันจะเข้ามาหาเราจะคอยช่องอยู่จากเราอยู่อย่างต่อไม่ขาดระยะไม่ได้ทางตาก็เอาทางหู ไม่ได้ต้อเอาหูก็เาทางจมูกลิ้นกายหรือใจสักทางใดทางหนึ่งมันต้องเอาเราให้ได้แต่ถ้า <c oughs> เรารักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้ไม่หลดุดออกไปนะมารก็ต้องหลีกไปเองอันนี้คือพูดถึงปัญหาและทางแก้อยู่ในรูปเสร็จ เ, เสร็จอยู่ในนี้หมดนะที่ <c oughs> ท, ท, ที่ที่พุทธประนะที่คุณโยมถือพูดมาเมื่อสักครู่เป็นคาถานเนี่ยพูดถึงข้อเสียที่ว่าเถ้าเราไม่ทําเนี่ยเราจะเป็นตกเป็นเหยื่อของมาร น, นะอ <c oughs> แบบ น, นี้นะมารเนี่ยจะมาเอาเราทางผัสสะแน่นอน ทีนี้พอมาณสมมุติว่าตกเป็นทาสของความสวยงามเป็นคนที่ควบคุมการแสดงออกไม่ได้ไม่ได้ควบคุ ม, มแล้วก็เป็นคนที่ไม่รู้จักประมาณในโภชนาหารนะคะเป็นคนขี้เกียจเป็นคนอ่อนแอมาลจะทำลายเราให้เป็นอย่างไรก็ทบ้างคะโอ้แค่นี้ก็แย่พอแรงแล้วนะทั้งขี้เกียจทั้งอ่อนแออ้วน ตรงเป็นท้ายของผัตษะโอ้โหแค่นี้พอแรงแนละ้วมันจะลากเราไปทางไหนก็ได้ผิดศีลเหรอโอ้โหหมูมากสบายหวานหมูดากก็เดินนะสบายเลยถ้ามันถ้าเรามีเป็นคนขี้เกียจเป็นคนเอาแนะ่ถ้าแม่บอกให้ทำความสะอาดห้องหน่อยเดี๋ยวดา ก, กันละทีนี้บางคนอาจจะบอกเฮ้ข้างบ้านฉันเนี่ยเขาก็เป็นคนเหมือนกับปฏิบททัติธรรมไปทำบุญบ่อยแต่แต่ง ต, ตัวสวยจังเลย สวยไปกว่าชั้นตั้งเยอะตั้งแยะอย่างนี้ไม่อยู่ในขายถูกมันทาลายเลยน ะ, ะทาไมเขาราศีผองใสมากเอ่อหมายถึงแต่งตัวหรือว่าเป็นคนคือหมายถึงว่าเขาก็เนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวสวยงามหน้าตาแต่งสวยงามเนี้ยไปหมดอะไรเงี้ยนะคะแต่ไปวัดอะคะ่ะอ๋อก็ถ้าแต่งตัวเหมาะสมก็ไปได้นะคือไปว่าคุณจะแต่งหน้าทาปากอะไรก็ได้ถ้าคุณไม่ได้ถือศีลแปดเอ่อแต่ว่ามันเป็นงนี้คือบางคนเนี่ย ก็ให้พอเหมาะพอสมไปนะคือบางคนนะไปวัดนี่แต่งให้มันเลิศหรูอลังการเพื่อที่จะไปอวยคนอื่นอันนี้คุณผิดละน ะ, ะไปวัดนี่คุณจะต้องเอากิเลสออกนะแต่ว่าถ้าเอากิเลสไปโชว์เขามันก็ไม่ถูกทีนี้มันก็แล้วแต่ว่าจิตของคนนั้นเป็นอย่างไรนะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นเพื่อที่จะให้ตักเตือนตัวเองนะไม่ได้เพ่งโทษคนอื่นค่ะก็เท่ากับว่าอย่างนี้ไหมคะดิฉัก็เข้าใจว่าเรื่อว่าคนเราแต่งตัวดูดีงดงาม คนอื่นเขมองแล้วจเจริญตาเนี่ยมันก็ว่าดีนะคะใช่ดีนะและและดิ๋ยวฉันกำลังคิดว่าเขาอาจจะแต่งแต่ว่าไม่มีกิเลสเขาทำอะไรคะมันไ ม, ไม่มีที่อกุศลจิตฮะอย่างนั้นได้ไหมคะก็เป็นไปได้เป็นไปได้นะคะแต่ อ, อย่างไรก็ตามพุทโธจะนะบทที่ผ่านมานี้หมายความว่าพระพุทธองค์ทรงให้เราสํารวมอินทรีย์ะที่ท่าน<ร>บอกตัง้งสํารวมอินทรีย์ ค, คือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินอาหารอความขี้เกียจความอ่อนแอพวกนี้เนี่ยเราเรารักษาได้ด้วยการสํารวมอินทรีคือพวกนี้เป็นอกุศลมันจะเกิดขึ้นมาจากการที่มีผัสส ะ, ะเห็นเสือเห็นมอนเดี๋ยว ง, วง่วงละเราก็ต้องคอยสํารวมอินทรีย์ให้มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอพูดถึงพูดถึงเสือถึงมอนอยากกลับเรียนถามท่านนิดนิดหนึ่งนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเวลามันก็มีไม่มากนะัก อ, อาจจะต้อง ดูแลตัวเองอยู่ในพักผรพักฟื้นนอนอยู่อะไรเงี้ยนะคะ <careful cía> ในระหว่างนอนเนี่ยถ้าเลือกใช้การนอนในการที่จะปฏิบัติสมาธิอืถูกหรือผิดเหมาะหรือไม่อย่างไรคะท่านคะอ๋อถ้านอนสามารถทําได้ต้องนอนตื่นอยู่นะไม่ใช่นอนหลับนะนอนตื่นอยู่เนี่ยอตื่นอยู่นี่ก็ถ้าเป็นผู้มีจิตที่ อไม่มีนิวรณิวรห้าเป็นสิ่งที่เรารับได้นสติสัมปชัญญะตั้งไว้ได้นะมีความเพียรไม่เลวซามแล้วก็มีสสัมปชัญญะไม่ลืมหลงกายสงบสงบไม่ไม่กระวนกระบายจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวนี่แหละชื่อว่าเพียรเผากิเลสแล้วออหมายถึงว่าไม่ต้องป่วยพักฟื้นก็ได้นอนเลยนี่แหละแต่นอนไม่ต้องหลับน อ, นอยู่ น, นอนตื่นอยู่ใช่ใช่นอนตื่นอยู่อันนี้คือคือเรื่องของนอนตื่นทีนี้นอนหลับเป็นยังไงค่ะรู้จ้าบอกว่า ถ้าถ้าคุณจะนอนหลับเนี่ยคือตอนนั้นผู้ชานอนกลางวันมา น, นก็เลยมาเยะ้ยบอกโอ๊ยนยี่สิสมณะเขาดมนอนกลางวันโอ๊ยสงสัยเป็นผู้หลับไหลว่าอย่างนั้นพู้ชายนอก็เลยพูดคาถานี้เกี่ยวกับเรื่องของชากรียานธรรมนะคือวา่าการประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่งตื่นคือไม่ใช่ไม่นอนนอนแต่นอนยามเดียวนะคือนอนยามกลางกลางของกลางคืนแล้วกลางวันตื่นทำอะไรตื่นก็เดินเดินนั่งนะเปลี่ยนเผากินแต่โ ด, ย, ดยการเดินนั่อย่างเงี้ยการนอนของคุณเนี่ยชื่อว่า ตื่นแล้วอนอนสี่ชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงนั้นในตอนยามกลางของกลางคืนน่ะชื่อว่าคุณตื่นอยู่เหมือนกัน อ, อคุณยังติวเนี่ อ, อไกมถ้าคุณจะหลับคุณหลับยามเดียวตอนกลางกลางคืนยามกลางขอ ง, ของกลางคืนในยามกลางของราตรีแล้วที่เหลือคุณเดินนั่งหมดอันนี้ชื่อว่าคุณประกอบวินทาณรกันเป็นเครื่องตื่นละคุณจะนอนหลับได้ไม่มีปัญหาอออื ม, อมค่ะันนี้สําหรับผู้ที่ต้องการนอนหลับ ค่ะแต่ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการหลีกเล่นปฏิบัติถูกไหมคะใช่ๆช่ได้ยังงเพราะว่าคนปกติทั่วไปธรรมดาอาจจะง ง, ง, งว่าเอา๊ะทำไมพระอาจารย์มาบอกให้ k k iri, นอนตอนกลางคืนเดี๋ยวตอนเช้าไปทำงานนี่ให้นอนกลางแล้วลุกขึ้นมา <laughs> แต่พูดจริงๆแล้วเนี่ยการนอนเนี่ยบางครั้งไปคุยกับใครเพาสงสัยเหมือนกันนะคะว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่พระุทธองค์จะทรงให้ถือชาครยานุโยกใช่ไหมคะอืม ดิฉันเลขถูกไหมคะชักรียนนั้นโยกได้ชักรียนนั้ทได้ทั้งนั้นค่ะซึ่งเป็นการนอนขึ้ น, น, นกลางอยงเงี้ยเดี๋ยวยังไงต้องไปเรียนถามมันอื่นแล้วขาดเวลาไม่พ อ, อใช่ไหมคะใช่ ค, ค่ะวันนี้ก็เท่ากับว่าท่านก็รู้ประโยชน์แล้วนะคะว่าบางทีท่านแนมะ้จําเป็นต้องเอ็นหลังอะมันไม่ไหวนะแต่อยากปฏิบัติรมด้วยก็สามารถทําได้ดังที่ท่านเพบุญได้บอกไปแล้ววันนี้กลับมาสการท่านใหญ่ยิ่งเลยนะคะใช่ค่ะ การท่านฟันที่รครบครับและนี่ก็คือรายการสัมส น, สมนาดาเนินรายการโดยสัมสนีผู้พงทาง FM106 รครอบครัวข่าว0 2น6์สองสท่านของหนังสือพุทธวจะนะที่ท่านจันร์คือคลิวัฒนา ป, ป, ปพงมอบให้มาได้และที่เพียวธร a m a .com/ 1 0 6อันนี้ส่งคำถามไปเลยนะคะท่านไปบุญจะนำออกมาตอบในรายการนี้แหละค่ะวันนี้พุทธวจนสวัสดีค่ะ